คนบาดไม่บาดแลวเธอเกียงรางกัน คิดดูบ้างหรือเปลา่าชาดีชาดเดียวชาดี้ชาดนานน้ามดีไหมหากได้รักทำยังไงไม่เปลี่ยนตัวเธอจะจากกันไปเธอได้จากเป็นแล้วโอ้ารกแกตัวหลุด้อยหา คิดได้ก็สายไปเสียดายเธอคิดทีวิตต้องดูอีกยาไกเลเสียดายคนตายเพอต้องจากกันไปโดยรู้มมไม่ห็นเอนความจริงสุดอขอั้ว รับใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นก็ลอ ย, าายันไปเธอต้องจากกันไปเธอดิจัดเป็น วุดน้อยหายไปตอนนี้ลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าจะคิดได้ก็สายไปเสียดได้เธอคิดชีวิตต้องรูอ ย, ยากเลยสีดยดได้คนตาย อนบอกไว้หลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ทันคุณค่าที่เกินเป็นคนนั้นกปล่อยมันไปเสีดยด้เธอคิดชีวิตต้องอยู่อยากไกลเสีดยด้คนตายเธอต้อ ง, งเจอจนไป ได้ปลักใจไม่ทันคุณค่าที่เกินเป็นคนนั้น